ญาติโยมที่เราได้มานอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่เป็นธรรมซึ่งที่พระโอสถของเราเพึ่งว่าจะได้จะถึงซึ่งการรักษาสิ่งห้านี้เป็นธรรมที่ จะให้เป็นทางซึ่งไปสู่สุคติและในสวรรค์สมบัติและในพระนิพพานสมบัติอันนี้ก็จะเป็นขุนอันยิ่งใหญ่ไพศาลของเราที่พึงเราจะได้จะถึงอันนี้น่เป็นขุนใหญ่ไพศาลที่เราได้มาคารบ ในธรรมของพระสุทธเจ้าแล้วในธรรมพระธรรมเจ้าและพระศุภเจ้าซึ่งจะมานอกน้อมกายใจของเราทีนี้ก็จากการอบรมสิ่งเราได้สมาทานขึ้นแล้วใน ข้อนี้ที่นี้เราจะทำการอบรมในการด้านสมาธิทางใจของคำสอนของสมาสพุทธเจ้ายังอื่นไม่มีที่พึ่งเลยจะมีที่พึ่งก็พระพุทธระธรรมพระสงค์เท่านั้น <c oughs> ที่จะพุกสมาธิ นี่ก็เอามือลงก็ได้อยู่นั่งมือเอาไวหน้าตักสมาธิอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็การที่จะอบรมสมาธิก็มือขว่าทับมือซ้ายเราตั้งกายกลงตั้งกายกลงระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นเราก็พยายามจึงทำความรู้กายใจงเรานั่งไว้แบบไหนเชดว่าเรานั่งพอยขาอยู่ นั่งกับพื้นก็ดีนั่งอยู่บนตุ้ยก็ดีเราจะหลับตาลงก็ได้หรือจะลืมตาก็ได้แต่เราจะให้รู้อยู่ในท่าอิริยาบถของเราไม่ให้เปลี่ยนใจไปที่อื่นให้รู้ในอิเทสอิริยาบถของที่เรานั่งอยู่นี่แล้วทําใจสบาย แล้วเมื่อเราทําใจสบายๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็ตป็นเรารทั้งหายใจเข้ากาหนดรู้ว่าพูดหายใจออกกระโถผู้ฝึกสมาธิใหม่จำเป็นจะต้องภาวนาไว้ เพื่อสร้างสติให้ดีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาผู้ฝึกใหม่ทีนี้เมือ่อเมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ขาดใจแล้วสติสมััญญะนี่ก็จะดีขึ้นเมื่อสติสมััญญะดีขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิก็โยมก็จะทราบได้ว่าอย่างนี้ เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นได้เพราะกำลังสมาธิที่อบรมทางใจยอยู่เมื่อใจนี้เป็นสมาธิแล้วย่อมจะเกิดปัญญาได้เพราะที่ภาวนา น, นี้เพื่อคุมจิตใจไม่ให้ไปทางโนนไม่ให้ไปถึงนี้ ที่นี้มือผู้ฝึกใหม่ไม่ภาวนาไว้มือจิตเป็นสมาธิบางครั้งก็เผลินแล้วจะตกใจงีแต่การจริงเพราะยังไงจริงว่าให้ทาสติสมัทัญญะก็ตัวภ า, าวนาพุทหลมข้าวโทหลมออกละลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์ เมื่อเรานั่งอยู่แล้วเราก็พยายามว่ากายใจของเราสบายดีเราก็ให้รู้จักวิธีในการฝึกสมาธิหรือใจไม่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ให้กำหนดรู้รู้ว่าใจนี้ไม่ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไม่สงบอย่างนี้ก็ พยายามภาวนาให้ิตติดขึ้นแล้วจิตนี้ก็จะละเรื่องการฟุ้งซ่านขึ้นเมื่อจิตพละการฟุ้งซ่านแล้วจิตนี้ก็จะรู้ว่ากายเบาจิตเบาขึ้นเพราะเราไปเอาธรรมะนี้มาคู่กับใจขึ้นเพราะจิตนี้สงบขึ้นดีแล้ว กายก็เบาจิตก็เบาสงบลงก็ดูชุ่มชื่นขึ้นจิตก็ก็ได้รับแห่งสมาธิเกิดจิตนี้ก็จะเริ่มมีความเพียรขึ้นเมื่อจิตนี้เริ่มมีความเพียรขึ้นแล้วจึงเรียกว่าปารลบในเรื่องสมาธิจิต จิตก็ไม่ศรัทธาขึ้นทีนี้ก็มีเพียนมีมันเมื่อมีเพียนมีมันอยู่ก็คำซ่อนของพระพุทธเจ้าของเราก็จะมีความรู้กันในองค์ปฏิบัติที่บุคคลที่ปฏิบัติก็จะได้รู้เรื่องว่าสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตใจอันนี้ก็เราก็ ที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นที่เราจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นทีนี้ผู้ปฏิบัติก็ศรัทธาก็จะมีความเพียรปารความเพียรให้มากขึ้นแล้วเราก็จะแจ้งในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามปรดตัวเอง โปรดตัวเองให้ให้เข้าถึงสิ้นสมาธิปัญญาให้กับในกายใจคุณตัวเองเพราะจิตนี่ยังไม่ยังไม่เคยอบรมให้มีสมาธิเลยเพราะจิตได้ได้รับความสบายขึ้นแล้วจิตนี่เขาจะเพียนขึ้นมาเองมือจิตนี่เพียนเขารู้เห็นขึ้นความเป็นจริงแล้ว จิตเขาก็จะรู้ขึ้นได้ว่านี่สิ่เราได้รักษานี่สมาธิเราได้กระทําขึ้นพระจิตรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ก็พระริมักก็เริ่มเกิดกระหนักปฏิบัติได้กำลังมาจากพุทลมเข้าโทลมออกนั่นแหละซึ่งว่า เราสมาธานสิ้นแล้วทำสมาธิแล้วก็สิ้นนี้จึงจะงอกงอกงามขึ้นได้สิ้นดุบประดังเหมือนเข้ากลา้าศรัทธาเหมือนแอกไถยที่จะทำให้ให้มรรคผลเกิดขึ้นกับคนชาวนาเนี่เพราะท่านทั้งหลายที่ได้เรามาประชุมนั่งนิ่ง อยู่ในโรงธรรมในที่นี้เราเตรียมตัวกลับบ้านเราบ้านเรามีความเจริญมากกว่าที่นี่เป็นผู้มีมีความสติมีปัญญาเริ่มจะทำให้เกิดขึ้น กับตนเองที่เราทำการหลับตาเจริญสมาธิเพื่อจะบ่มอินสีให้แก่กล้าทั้งหูตาจมูกลิีนกายใจเราก็จะได้รู้ขึ้นเองเราก็จะได้เห็นขึ้นเองแล้วศรัทธาบารบ ก็จะได้มารบควมเพลียนให้มากขึ้นเพราะเรารักษาสิ้นเฉยๆไม่ฝึกสมาธิแล้วก็จะไม่เห็นว่าคำสอนของสมาสัมพุทธเจ้าไม่สำคัญมากแท้ๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นคว้าเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย ท่านรู้ความจริงแล้วเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมดาที่พวกเราก็ได้รู้แล้วที่พระองค์ค้นคว้าพบปะในเรื่องสินสมาธิปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเหงธรรมะหรือคำสอนที่พระองค์ที่ท่านทำจาเ็จกันไปแล้วองค์ที่แล้วแล้ว นี่เป็นองค์พ ป, ปัจจุบันแล้วท่านก็โคนควาจ ะ, จะเจอในธรรมคำสั่งสอนที่องค์ก่อนๆ <c oughs> แล้วทีนี้ก็พวกเราได้ฝึกฝนทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเป็นผู้มีใจสูง ทีม่มาบาเพ็ญบุญชนิดนี้นี่แหละยอดแห่งบุญของสมาสมพุทธเจ้าที่ได้คนเจอที่ในกายใจได้สร้างแห่งพระอริยเจ้าให้เกิดขึ้นเพรเราเราที่ทำนี้ก็เมกันไม่ได้ทำเป็นนิสัยทำเอาจริงเลยทำเอาจริง เมื่อเรารักษาสิ้นแล้วเจริญสมาธิาเขาก็ไปรู้ความเป็นจริงนั่นแหละศาสนาความซ่อนที่จะทาตนให้เข้าถึงพระอริยเจ้าได้เราท่านนี่แหละที่จะเป็นพระอริยเจ้าการกระทาอย่างนี้เาอยยังอื่นไม่มีทางที่จะเป็นได้เพราะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้น เกิดเท่าไรตายเท่านั้นหมดแต่คนที่จะทำตนให้เป็นพระอริยเจ้าก่อนนี่น้อยคนอย่างนี้น้อยที่ไม่ได้ฝึกกายใจที่ไม่ได้ฝึกกายใจมากที่ฝึกกายใจนี่น้อยที่จะทำออกจากทุกข์ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บก่อนตายคนอย่างนี้หาได้ยากนี่ เหมือนอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาที่วัดบันถึงก็เพราะกลัวความแก่กลัวความเจ็บ ก, กลัวความตายนี่แหละจึงเข้าไปทำให้จิตใจสงบแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงพระองค์กล่าวอย่างนี้และเราก็พยายามไปฝึก้นเพื่อจะให้รู้ตามเห็นตามในคำซ่อน ของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราจะแตกดับแล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวนี่เพราะการเราต้องหัดเสียก่อนหัดให้คุณก็ความความแก่ความเจ็บความตายให้มันคุณเมื่อคุณดีแล้วเมื่อเป็นแห่งพระรีเจ้าขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ความเป็นจริง แล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ฝึกมีสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวมีจิตใจมั่นคงจึงเรียกว่าคุณมีปัญญาดีในที่ได้อบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงได้ ความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระองค์เท่านั้นที่ท่านรู้ขึ้นมาองค์เดียวแล้วที่นี้ท่านสั่งสอนให้ประชาชนให้รู้ตามให้ตามพระองค์เป็นผู้มีประคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อเห็นรู้ตามเห็นตามแล้วก็นั่นแหละเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรม คำสั่งสอนของสมัสัมพุทธเจ้าให้เราเพราะอันพวกเรานี่ความแท้จริงที่เห็นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโดยสมุดบัญญัติ จ, จริงๆเห็นโขนแกแล้วก็มาได้คิดเจรณาตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้นึกเลยว่าเราก็จะต้องแก่ผู้นี้ไปเห็นขุนเจ็บโอ้เราก็จะต้อง เจ็บเหมือนอย่างผู้นีเออ้เหงาโกลนตายเราก็จะต้องตายอย่างผู้นี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตายกันในชาติที่เรามาเกิดนี่แหละถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเราทํากรรมฐานแล้วถ้าเราแตกดับครั้งนี้ เราจะมีที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละมนุษย์ใจสูงที่ได้รับความอบรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทวดาเสเดียวนี้ได้อำนาจสิสมาธิเรารู้ว่าเราแตกดับคนนี้ เราต้องไปสู่เทพเป็นแน่นอน <c oughs> ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเรื่องตายจะวันไหวไหมหรือเรารู้ว่าเปรตก็ดับสัตว์เดรัจฉานก็ดับนรกก็ดับและมนุษย์ก็ดับเราไม่เกิดในในภูมิที่นี้เราไม่เกิด รู้เราว่าเราปฏิสุทธิเราทาที่อยู่ที่อาศัยจะได้แล้วไงนักญาติโยมคงจะไม่ไม่วันไหวเรื่องในการตายขอให้ท่านพยายามให้มากวันนี้ไม่รู้ก็พวกนี้ทำให้รู้ าวัน10วันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งพยายามฝึกเรื่องไม่รู้ไม่ได้รอโยมต้องรู้เมื่อจิตใจสงบแล้วต้องรู้รู้ขึ้นมาเองจึงเรียกว่าที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงโยมที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงเพราะทรรม่อยู่ในกายในใจของเรา คาที่ที่พระพุทธเจ้าถึงเทศนาไว้ให้กับเราพิสุเธอจึงทาจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอาจจะมาได้ฟังได้ฟังธรรมะของพ่อมหาทองป ร, รียนสามท่านเทศนาสนใจสนใจ แค่นี้แหละสนใจกลงมือเพียนอยู่ไม่ขาดสายทั้งลุกทั้งนั่งทั้งยืนเดินอยู่ในป่าชาเดือนหนึ่งนี่เขาหามมาเผ่ามั่งมาฝั่งมั่งอยู่เป็นหนึ่งนิดกูอยู่ป่าชาก็ ก็ได้ทางรู้ทางเห็นนี่มันภายนอกงที่อยู่ประชาที่มารู้เห็นอย่างนี้นี่มันภายนอกที่ความเข้าไปรู้ความเป็นจริงเห็นที่ชาจริงบารกธรรมะของพระพุทธเจา้าป่าชาในภายในของเราถ้าเราไปรู้ความเป็นจริงแล้วมันขบขันมากไง ให้พวกเราได้ได้ฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ญาติโยมก็จะได้รู้ความเป็นจริงตามพระองค์ได้เนี่พึงไม่น้อยก็มากเราก็จะได้รู้ขึ้นเมื่อเ ร, รู้ขึ้นแล้วไม่มีความเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีต้องเปลี่ยนขึ้นเพราะไอ้ที่เรายังไม่รู้อีกยังมีนี่นักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้น เมื่อตื่นตัวขึ้นแล้วจิตนี่ก็รู้เลยว่าเออเรานี่เกิดมาเสนานขาดในการไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่ตื่นตัวขึ้นได้เมื่อจิตตื่นตัวขึ้นแล้วย่อมสร้างตัวเองย่อมสร้างตัวเองให้ยิ่งยิงขึ้นเหมือนอย่างพวกท่าน ทั้งหลายที่ปารบ ร, รมเหมือนที่เรียนหนังสือนี่แหละเรียนเรียนแล้วก็กำลังเรียนนี้ก็กำลังใช้ทุนพอพอท่านเรียนจบแล้วแล้วได้รับผลคือเงินเดือนได้รับผลี่ตอนนอน่ะเป็นเหตุ ที่กำลังได้รับผลอยู่อินผลไม่ต้องเรียนได้อยู่ทุกขณะอนุภาพถึงการเรียนจิตได้ได้มณาสาิการทำจริงได้เงินเดือนมีมียกมีลาบขึ้นนี่ชัดใดนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่เป็นเข้าไปรู้ในสภาวะร่างกายที่องค์พระองค์เทศนาไว้สภาวะที่รับรองสภาวะที่ไม่รับรองก็ไม่อยู่นี่เพราะอย่างนั้นแหละเราซึ่งธรรมะของพระองค์เนี่ยเมื่อ ทำถึง ค, คล้ายเหมือนกับที่ที่ญาติโยมเรียนเรียนถึงปริญญานักปฏิบัติทำจิตใจถึงขั้นปริญญาบ้างก็จะรู้ทั่วถึงในธรรมคำซ่อนของพระองค์จริงๆยังไงยังไงเราทำระดับก่อนสิ้นห้าเท่านั้นทายม ทำไวบริสุทธ์แต่ความที่สมาทานในวันนี้ทำไมไปกระทาขึ้นสิน้นนี่ก็บริสุทธิ์อยู่เรื่อยเลยเมื่อสิ่งบริสุทธิ์แล้วต้องหายผลไม่หายผลไม่ได้ถ้าสิ่งหานี้เราสมาทานไว้แล้ว <c oughs> ก็ตั้งอยู่ในภูมิ ของพระโสดาจริงๆเมื่อเราฝึกสมาธิความรู้ความเป็นจริงจิตนี้พอเป็นสมาธิพอสมควรพึงจะได้โสดาปฏิมาปฏิมาขยานไดน้เพราะการถ้าเราไม่สมาทานและไม่ปฏิบัติไม่ฝึกสมาธิขึ้นอย่างทัศนวิสุทธิจะไม่มีเกิดขึ้นกาบ การหนักปฏิบัตินี่แล้วถ้าหากว่าเรามีอย่างนี้แล้วนั่นแหละพุทโธแปลว่าเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่ก็เกิดในองค์ปฏิบัติทีนี้ก็เปลี่ยนหัวใจได้นี่อารมณ์กเก่าๆนี้ก็หมดไปอารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นนี่ เพราะเรามาทำอารมณ์เก่าๆให้หมดแล้วอารมณ์ใหม่ๆนี้จะเกิดขึ้นทมของพระองค์ไม่ใช่ของคร่าคาทมของพระองค์ของใหม่ๆนี่ของเอตังปะณีตังเป็นธรรมที่ประนีตเพระาะญาติโยมฝึกให้มาก แก้วมันนอยู่ที่กายใจของนักปฏิบัติพวกเรายัางไม่ได้ขัดยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดได้ถูกขึ้นแก้วก็ยังไม่งดงามคือด้บเพราะอาวิชชาถูกปรุงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่มนีจึงไม่เกิดขึ้นกันในหัวใจของพวกเราได้เพราะถูกอวิชาชาฉาบถาทางเรื่องกายใจของเราเสียเอาละเท่าสินสมาธิปัญญาเท่าญาิโยมที่พึ่งได้ขัดเกลวเรื่องทางจิตใจที่อาตมาที่ได้แนะนำญาติโยม ทุกๆคนเวยแปลว่าเว้นไม่ทำบาประมณีแปลว่าแก้วสามประการขอให้ท่านทุกๆคนที่มานั่งในโรงธรรม น, นี้กําลังฝึกสมาธิจิตใจก็ได้ทำสมาธิด้วย ทำสมาสิพระลงมือนั่งนิวรณนไม่มีความง่วงเงาเขานอนไม่มีพึงท่านวางใจไว้ว่ า, วานิวรณ์ของเราไม่มีถ้า ม, มีความง่วงเงาเขานอนเข้ามาแทรกแสงท่านพึงให้รู้ว่านี่เป็นตัวนิวรณ์เข้ามาเข้ามาฉาบถาจิต มาให้จิตตื่นในด้านสมาธิได้ เ, เราท่านทั้งหลายจิตที่ยังไม่พ่องใสไม่สะอาดจิตจะต้องตกอยู่ในนิวรณฉาบถามาให้รู้เห็นขึ้นได้เพราะสิ่นนี้สิ่นห้านี่แหละขอให้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติขึ้น แล้วสิ้นนี้จะได้แก่กล้าขึ้นสิ้นคือ น, นามธรรมเป็นฝึกสมาธิขึ้นปัญญายอมรู้เห็นได้แล้วถึงจะกาจัดเรื่องนิวร น, นี้ได้เมื่อกำจัดนิวรได้นิวรณดับแล้วจิตนี้จึงจะรู้เห็นว่าโอ้ีนสิ้นที่เราสมาทานไว้ นี่สมาธิใจสงบปัญญาก็จะได้รู้แจ้งเข้าไปเห็นนี่แหละจึงเรียกว่าจิตเพิ่งจะตื่นตื่นขึ้นมาจิตพืจะตื่นขึ้นมาเพราะได้บริกรรมพุทลมเข้าโทรลมออกทำให้สว่างสวัยทาให้ยินดีได้ี่ทำให้ยินดีได้ เมื่อโยมมีความยินดีจิตเห็นรู้เขาแล้วจิตนี้จะมณัติการมากขึ้นทุกวันนี่เหมือนยังก็ที่ญาติโยมที่ได้เรียนมาแล้วไม่ทอถอยและจึงได้นั่งเป็นทำราชการได้ฉลาดนี่เพราะฉลาดในการเรียน นักฝึกสมาธิก็ฉลาดในการทำใจในการด้านทีนี้มือมืออย่างนี้เราสิทธิพึ่งฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีความรู้แล้วจึงไม่มีการที่จะทำครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ก็คอยแนะนำอยู่เมื่อต่อลูกศิษย์มีความรู้เห็นคือแล้ว ทีนี้สิจะจะพูดได้รู้ได้ว่าข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมีความรู้อย่างนี้แล้วมีความเห็นอย่างนี้ว่ากะไรนี่ก็คงจะถามได้ถามได้พูดได้นี่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นในหลักของสมาธิสิ่งอันนี้ไม่เคยรู้ สิ่งอันนี้ไม่เคยเห็นอย่างนี้เป็นยังไงยังไงก็ยังมีการถามครูบาอาจารย์คือได้ครูบาอาจารย์ก็จะทําความเข้าใจให้ลูกศิษย์ได้เช่นว่าอย่างนี้ก็เท่าว่าอุจจาวิยสัสนากับลูกศิษย์ที่เขาได้รู้ได้เห็ น, นเพราะเรื่องเรื่องทางใจ ที่เราทำทุกวันอยู่กินข้าวนำอยู่ทุกวัน <c oughs> ก็เรากินเพื่ อ, อยังให้ชีวิตอยู่ไปวนัวนๆหนึ่งแต่กินเท่าไหร่ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้ายังไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยยังไม่ได้เจริญเมตตาให้ตัวเองเลยเท่านว่าเรานะที่ พระพุทธเจ้าชั้นสอนให้เรารู้ให้ฝึกสมาธิเนี่ยจะได้รู้ทางข้างหน้าจะได้รู้ทางข้างหลังว่าตะก่อนเรามาเกิดในคันของพอแม่มาจากที่ไหนนี่มาจากเทวดาหรือมาจากในมนุษย์นี่หรือมาจากนารกหรือมาจากเปรต หรือมาจากสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่รู้ได้หรือมาจากเทพมาจากกรมเราก็ไม่ทราบได้เนี่เพราะที่เรามาจะมาทํากรมารมฐานเนี่ยเพื่อจะให้รู้จะให้รู้ของจริงในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้แน่ให้เขาเล่าขอบุญยังไงก็ให้เขาซอดอยังไงก็ไม่รู้ จะรู้ได้ก็ที่อาตมาแนะนำยัดยมให้ฝึกสมาธินี่แหละเวลาเมื่อยยมกำหนดรู้นี่แหละความเกิดเราก็เปลี่ยนอิริยาบถ มีความสุขเกิดขึ้นก็ควรจะต้องกําหนดรู้ว่าทุกนี้ดับไปนี่มีมีอะไรมาที่อยู่ในร่างกายของเร า, เราสุขก็เกิดขึ้นโยมก็ต้องกําหนดรู้ว่านี่สุขเกิดขึ้นแล้วทุกนี้ดับไปที่เราไม่ได้กําหนดรู้พระองค์บอกว่านี่อิริยาบถปิดบาง พวกเราไม่ให้รู้จักทุกเลยเมือทุกก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ก็นึกว่าเรามีเงินมีทองก็สบายสบายกายสบายใจยอยู่แล้วถ้ไม่สบายหรกอกโยนก็เดี๋ยวนั่งประยุกต์กายยึ ก, ยกนั่นแหละมันความเกิดอยู่แล้ว ถ้าเราเรื่องของทางบริหารทางกายมีเข้านำเป็นต้นที่ไวบริพกครบชันมีหิวก็หักขึ้นเราก็ชันซะถ้าเราไม่ได้ชันแล้วก็หิวขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์ถ้าเราบริพกครบชันเสร็จแล้วมันอิ่มแล้วก็เราก็ว่าเป็นสุข เพราะไอ้เรื่องรู้ยังพระพุทธเจ้านะ่ะยังไม่ได้รู้เลยเราเพราะกำลังกินดื่มนี้มีใจยังไงนี่ญาติโยมจะต้องพิจารณาคุณธรรมกรรมฐานเนี่ยต้องทาแล้วท่านจะเอาที่ไหนมาสอนท่านก็ต้องเอาในหัวใจมาสอนนายโยมแล้วนนยโยมก็จะได้รู้แจ้งความเป็นจริงขึ้นแล้วที่อาตมากล่านี้ยังไม่ต้องเชื่อเลยให้ท่านไปพิจารณาที่บ้าน เ <c oughs> มื่อเราบรบิพกควบจันมีอารมณ์ชนิดไหนเราจะต้องดูตามอยู่ทุกขณะทางใจเวลาอิ่มแล้วมีอารมณ์ชนิดไหนแล้วจึงเรียกว่าอิ่มอิ่มแล้วมันมีอารมณ์ของใจยังไงๆๆแล้วเรา แบบนี้เราไม่ได้พิจารณากันเลยถึงอาตามาตะกอนก็ไม่ได้พิจารณาเลยอีตอนนี้แหละถึงถึงจะเกิดไม่รู้ขึ้นที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยทีนี้เมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วญาติโ ย, ยมได้พิจารณาใครครวนอยู่ทุกวันเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมันก็จะต้องชำนิชำนาญ ในการที่กินดื่มนี่โยมก็จะทราบขึ้นนี่เราอาหารนี้แหละเป็นเครื่องเยียวยาชีวิตให้ยังอยู่และพระคุณเราพอเจ็บไข้ขึ้นแล้วให้เบื่ออาหารไปหมดไม่อยากจะรับอาหารเลยผู้รับมันไม่มีนี่ เพิ่งว่าพาดมันเสียมันไม่ไม่อยากกินไม่อยากดื่มทั้งหมดทีนี้นกายก็สามองใจก็สามองก็อาศัยหมอปฏิบัติหมอรักษาให้นี่เพิ่งเล่าๆล่าฟังให้ญาติโยมอยู่ในกายในใจทั้งนั้น โยมก็ต้องไปพิจารณาร่างกายแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับโยมธาตุสี่ดินน้ำนุ่ไฟนี่มาประชุมกันขึ้นแล้วโยมจะรู้เองเห็นเองดีกว่าคนอื่นบอกคนอื่นบอกนี่มันสู้เห็นเองไม่ได้เพราะนิวอนห้าไม่ดับย่ำไม่รู้ความเป็นจริง นี่เรามาเรียนเรามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังในกำลังนั่งอบรมจิตใจชี้แนะนำให้เข้าไปดูในร่างกายภายในนี่แหละกายนาครอยู่ในภายในของเรานี่และขอให้ญาติโยมพยายามไปเราลุก ก็ไม่ได้รู้เลยเรานั่งก็ไม่ได้รู้เลยเรายืนก็ไม่ได้รู้เลยไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่รู้ธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้าทันจึงเรียกว่าพวกเราปราศติส ม, มถัญญาความรู้ตัวไม่มีมันรวดเร็วมันรวดเร็วของจิตนี่ที่อันุจิต ของพระที่พึงจะรู้ได้ก็พระผู้กระทำถ้าเราได้รู้มั่งเห็นมั่งจึงจะรู้ว่ามาถามพระพระท่านจะได้ชี้ชี้ทัศนะให้รู้ได้โยมก็จะได้รู้ได้โอ้ oh, พระท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วท่านไปรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเลิกละกันไปได้อย่างนี้ ความรู้ของโยมก็มือกันถ้ารู้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากเลิกเพราะสดใจสนใจในการเพื่ออยากจะรู้ทำรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทําให้แจ้งอา น, นิจังของพวกเราเรารู้ได้เกิดนานก็แก่ก็เจ็บก็ตายอา น, นิจังของพระพุทธเจ้าท่านรู้ ความไม่เที่ยงคุณนี้ตายไปเป็นเปรตคุณนี้ตายเป็นสัตว์ปรชานคนนี้ตายไปนรกคนนี้ไปเกิดในในขันของมนุษย์คนนั้นคนนี้คนจนๆไปเกิดที่คนรวยๆคนคนรวยๆมาเกิดที่คนจนๆี่ความไม่เที่ยงพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วพวกเรามาฝึกทำสมาธิ ทำใจเรื่องปฏิสนธิจิตของเราเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้สร้างบ้านทองเรือนทองเรือนแก้วให้กเกิดที่กายใจเท่าอย่างนี้ว่าเกิดจริงนี้แล้วก็เปรตสเดชาเนรกมนุษย์นี่กระดับหมดจึงผู้ปฏิบัติก็พึงว่าจิตนี่เป็นผู้รู้ผู้เห็น ผู้ตื่นนี่เป็นผู้ชั้นจิตมีปัญญานิวรณ์ฉับถามไม่ได้นี่จึงรู้ความเป็นจริงได้ว่าออคนเราลงมาสนานจิตบอกลงมาสนานนี่เพราะไม่รู้ความเป็นจริงอันนี้ก็อาตมาก็ได้บญญรรยายทำ <c oughs> มาแค่นี้ขออำนาจบา ร, รมีทรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ า, จาได้อจตมาได้บำเพ็ญซึ่งบา ร, รมีรร ม, มาสามสิบกว่าพรรษาแล้วที่บำเพ็ญมาในปัจจุบันที่ได้นั่งสอนกับญาติโยม พระลาอานิสรงที่ไป น, นอนอยู่ในป่าชาอัดบันถึงที่ได้บำเพ็ญบารมีนี้กลายกลับใจเท่านั้นเพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นอบน้อมอมมาไวที่กายที่ใจขอบารมีที่อัตมาได้บรรยายมาถึงแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยม นี่รู้ความเป็นจริงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มัคซีผลสีเจริญในปัจจุบันนี้ขอจุนโชคดีด้วยกันทุกคน แต่ว่ามีปัญญานะบุญท่านมีแปลว่าปัญญาและทำบุญให้ผู้ตายด้าผู้ตายจริงหรือไม่ครับอ่าก็ผู้ตายเนี่ยก็เป็นจริงเหมือนกันถ้าหากผู้ตายนี้กำลังที่จะไปเป็นเปรตอยู่ ที่จะคอยรับกองบุญกองกุศลที่ญาติยมที่กําลังทําบุญให้ถ้าผู้นั้นยังไม่ได้เกิดไปเกิดเป็นเปรตอยู่ก็จึงจะได้รับถ้าหากผู้นั้นตายไปแล้วไปเกิดที่ลูกหลานหรือเกิดเข้าครันไปแล้วก็ไม่ได้รับผู้นั้นก็ได้โยมใครได้ครับเจ้าของผู้ผู้ให้ใช่ไหมนะผู้ให้เด้ได้ ก็แสดงว่าบุญในการที่เราให้เขาเนี่ยมันไม่รู้จักหมดมันก็ถ้าเมื่อไม่ได้รับก็ผลสะทอนตกจกับผู้ให้ทุกครั้งไปสิครับทุกครั้งแม้อย่างนี้นะะผมว่าท่านที่กำลังจะสนใจหรือว่าสนใจอยู่แล้วเนี่ยถ้าหลวงพ่อตอบได้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันจะทาให้ ทุกท่านที่กำลังศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกำลังใจมากที่ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละโยมที่ทัศนศึกษาที่จะรู้ได้ก็ผู้มีสมาธิสนับมีผู้สนใจถามว่าที่ว่าเมื่อจิตสบงบนั้นอยากเรียนถามว่ารู้อะไรและทุกคนจะรู้เหมือนกันหรือไม่ครับ บางคนตอนต้นๆนเนี่ยจะรู้ไม่เหมือนกันเพราะต่างอารมณ์แต่ทำไปทาไปก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ต่างว่าคุณพิเศษบางคนก็รู้มากบางคนก็รู้น้อยนี่ก็เพราะกําลังเรื่องของสมาธิทางใจ แต่ขั้นต้นๆเนี่ยก็จะคลายคลึงกันพอมือจิตสงบแล้วย่อมความสบายกายสบายใจเนี่ยจะคลายๆเหมือนๆกันทุกๆคนแต่ที่อารมณ์นี่ต่างๆกันไม่เหมือนกันมีประกาศประกวดส ม, มาทานสมาธินี่แล้วตัวลอยขึ้นมาได้นะจากพื้นนฮะ ผมอยากจะเรียนาเียถามท่านว่าอำนาจของจิตใช่ไหมฮะที่ทำให้ลอยตัวได้หรือว่าอำนาจ ย, ยังยังซึ่งไม่ใช่จิตไอ้นี่ไอ้ที่กายลอยขึ้นได้เนี่ยคือก็สมาทิจิตนี่แหละเป็นตัวปิติปิตินี่ทำให้กายเบาทำให้กายเบาอาสศมารี มันจะยกโคลงขึ้นแล้วมันจ ะ, จ ะ, จะลอยได้ในที่ลอยได้เนี่ยถ้าสมาธิสูงๆนี่ก็อาจจะลอยได้สูงดีครับก็ได้สูงก็ตามส่งความปารถนาของผู้ได้แต่ผมว่าเขายังทําได้น้อยไปนะครับที่เขาประปวดผมว่าเขาควรจะห่ะได้ถ้าความเป็นจริงก็ก็ต้องมีต้องห่ะได้ ก็มีที่เหาะไม่ได้ก็ไม่มีก็ไม่นี่ที่เหาะไม่ได้ก็มกมหมาย ก, การว่าสามารถสมาธิจิตไม่มากขึ้นนี่แต่ไม่ใช่ว่าการเหาะได้นี่บางครั้งก็คนที่เหาะได้แล้วไม่หมดกิเลสแล้วก็ พราะเสื่อมแล้วก็ไปนรกก็มีและที่ยังจำพวกหนึง่งเหาะได้แล้วก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ้นอาสวะเป็นผู้ประเสริฐไงมีมาสาธุชนท่านหนึ่งบอกว่านะฮะอย่างนี้จะเรียนถามหลวงปู่ล้วบอนหลวงปู่คำ คุตโตหลวงปู่น้อยฮะมีอายุ227ปีและยังมีชีวิตอยู่สาธุชนท่านนั้นบอกว่าหลวงพ่อรู้จักกับหลวงปู่คำดีดีหรือเปล่าขอให้หลวงพ่อเล่าประวัติย่ อ, ยอของหลวงปู่คำและทำอะไรให้ท่านอายุยืนขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ท่านยังท่านอยู่ที่ไหนเออนี่ ท่านก็อยู่ตางมุกบุกมุกดาหานนะนะมุกดาหานแล้วในท่านอายุยืนยังงนก็ท่านก็คงจะมีธรรมะอะไรเครื่องเครื่องอยู่ขึ้นได้ผมเคยได้ฟังแต่โยคีอนเดยอายุร้อปีส้อยปีแต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะมาได้ยินเนี่ยผมได้บุ แต่รู้เร่องนี้เองว่าสองร้อยี่สิบเจ็ดปีนี่ยออคินเดียก็ทําอะไรไม่ได้ก็เป็นคุณเป็นกุศลของท่านนั่นแหละนะเราก็รู้ไม่ได้อนะตรงเนี้ยนะท่านยังคุณหลวงพ่อเล่าประวัติเยอะๆให้ได้นะแล้วท่านยังอไปไหนอะไรตาอะไรเนี่ยย้อนเหออะไรยังยังยังเัมืน อายุครับห้าหกปีได้เออ น, นี่มันเยอะมันเล่ายากโยมเล่าไปลงไปนี่มันไม่สู้เอาเราเองดีกว่าเอาเราเองดีกว่านะแ ต, แต่นี่มันแต่นี่มีผู้ผู้สนใจงั้นก็เดีนถามมาเอาเราเองนี่ดีกว่าโยมครับผมกะเห็น ต, ตามหลวงพ่อพูดนะเะอเรื่องของท่านก็เรื่องท่านเรื่องของเราก็เรื่องของเราเราก็ทํา ที่ที่เราเนี่ยนะที่ฝึกสมาธิเนี่ยเราจะอายุยืนไปอยู่บนถ้าเราอยู่เป็นเทพนะจะอายุยืนเป็นโกดโกดแล้วพวกเราก็จะที่เชื่อกำลังก็มีที่มาเชื่อก็มีไอ้ที่เขาปฏิบัตินี่เขาก็ต้องเชื่อเนี่ยคงว่ามนุษย์เราแตกดับไปเป็นเทวดาเนี่ย เราไปเป็นเทวดาไม่วิมารก้าโยดีโยตรอยโยนี่ยที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราที่นี้มีอายุยืนกันเป็นโกดโกดแล้วพวกที่มนุษย์ไปเป็นเทวดาเนี่ยตลอดกระทั่งที่เดียวก็ไม่มีแล้วบางคนก็ก็ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเราจะไปบอกให้เขาเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ เนี่นมันอยู่ที่ว่าเขาจะปฏิบัติไหมครับถ้าเขาปฏิบัติขเขาก็รู้เขาาก็รู้ได้เขาก็ไม่พูดอะไรเลยบอกว่าเห็นคล้อยกันตามว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วถึงเรื่องว่า <S <S ผู้นิพพานแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกที่เขาได้จริงๆเขาก็สาสสักันได้คุยกันได้เขาก็เชื่อกันว่าธรรมะของพระองค์เป็นอย่างนั้น แต่พวกที่ยังไม่รู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่เชื่อก็มันเรื่องของเข้าอีกแกล้วโยมเราก็ไม่ไม่้นกับเครศึ ก, กแล้วกันเราส้นแต่ตีพวกนักปฏิบัติด้วยกันนี่แต่เราจะรู้ได้ทำที่มีนั่งสมาธิมีกายลอยเรื่องมีสมาธินี่ บางคนนี่ก็เรื่องปิตินี่จะต้องผ่านกระทบทุกคนนะ่ะมันจะมากหรือ น, น้อยนี่มื่อกระดาษกายเบาจิตเบาเนี่ยจะนั่งสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะกำลังนมนสมาธิมันยังเกิดอยู่ไง แล้วทีนี้เราจะฝึกสมาธิที่เราเข้าได้อยู่บ่อยๆการปฏิบัติบรตทัรที่พ้นชั้นโลคิยะเข้าสู่ชั้นโลภุตาละอย่ า, ากทราบว่าการเข้าสู่ชั้นโลภุตาระนั้นในชั้นเริ่มแรกมีลักษณะอย่างไรเมื่อรดละอะไรได้บ้างแล้ว นี่เที่ที่เราจะสาธิตงานว่าละอะไรได้บ้างก็ต้องละบาปเดียวมันต้องละบาปได้นะต้องละบาปได้ซึ่งก็เรียกว่าผ่านโลกุตระหรือตกกระแสโลกุตระยังนี มันต้องมีการละได้ยโยมเราพุทธะในที่นี้มันก็มีตั้งตั้งหลายหลายชั้นใชมไหมหลายชั้นยโยมสุดามั่งสกิตาคามั่งอนาคามั่งแพร่หันมั่งนี่มันหลายหลายชั้นยโยมหมายว่าต้องทาําความเยน็นขึ้นไปเรื่อยๆมีเจริญได้นถึะ พระอหันต์นะแต่พระสุดานนี่ก็ทราบเลยเรื่องพระอรหันต์เขาได้แล้วมีไหมที่ท่านไม่ยินดีจะเดินถึงอนาคาีจะอยู่แค่โสดาบันก่อ น, นมันไม่ไม่มีนะมันไม่พักหรอกพอได้แล้วมันไม่พักหรอกใจมันดูดดื่มเลยแหละมันผ่าน รสกระแทกของภาริมักภาริพุ่นนิ่มมันไม่อยากอ ย, กอยู่หรอกโยมเหมืนอนเรา ก, ก็ไม่ไม่อยากแก่นะความจะแก่เขามาครอบงําก็ไม่อยากได้เลยแต่ที่ที่ได้มักพุ่นแล้วก็อยากจะเดินให้พ้นเบื่อนหน่ายเรื่องความแก่ความเจ็บความอะไรนี่มเราจะอยากอยู่ไงได้เราโยมไม่อยากอยู่หรอก คนที่มันไ ม, ไม่ไม่อย่างไม่ได้ธรรมโมธมะไม่ไม่ผ่านกระแสของพระอริยเจ้านี่ที่อยากอยู่ยงและร้อยปีก็ไม่อยากอยากไม่อยากตายอยากเกรักษาไว้ก่อนเน่หมายวา่ายินดีนะะนียยินดีไม่รูเสียงกี่รนะัสะ <c oughs> แต่เมื่อกี้ที่ระหว่างที่ผมฟังท่าน บรรยายถามมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ฟังพิมานที่เออยิ่งมาถามในช่านโลกียะเขา้าสู่ท่านโลกุตระเนี่ยท่านบอกว่าอนิพานมักตรีผลสีแต่ผมได้ยินที่ฟังมาว่ามีนิพานอีกหนึ่งใช่ไหมครับเป็นเก้าเลยนะก็ใจเป็นหนึ่งก็ว่าเก้าก็เก้าละโยม หมายว่าที่ที่ที่ที่ผมที่ผมถามเรียนหลวงพ่อว่าอย่างนี้ว่าก็หมายว่าผมทั้งอ่านหานมาด้วยนะอ่ก็เลยจะเติมให้หลวงพ่ออีกสักหนึ่งเป็นเก้านะะะอก็ดีกันก็ดีอยู่กันสาธุสาธุคงจะหมดความสงสัยกันนายโยมนะขอให้โชคดีกันนะขอจงเจริญเจริญ ในการส้นสนาปราไส่ของเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีโชคดีมีลาบดีซึ่งมีอายุยืนไปในกาดข้างหน้าพระอริยเจ้าจะได้เกิดขึ้นมีในปัจจุบันนี่แหละขอจึงโชคดีด้วยกันทุกคนทุกคนนะขอจึงเจริญให้ดัมัคยานพุทญาณ น, นะ